ธรรมะเหล่านี้ถ้ามีพื้นฐานการศึกษาปฏิสัมพิทาและก็เข้าใจทิศทางเข้าใจโครงสร้างของคำพีปฏิสัมพิทาเนี่ยนะไปอ่านกลมสังยุตตนิกายเนี่ยจะได้ประโยชน์มากเนี่ยนะเพราะว่าในเกือบทุกหัวข้อที่มีอยู่ในนี้นะมีผู้ไปพิจารณาและบรรลุอยู่ที่เรียกว่าสมัยพุทธกาลเนี่ยนะสมัยพุทธกาลเนี่ยตอนเย็น หรือเขามีสองช่วงที่พระพิสูนไปขอกรรมฐานหลังจากที่ไปบินทบาทเลยนะหลังจากพระพุทธเจ้าไปบินทบาทไปฉันกลับมาพระพิสูุ์ทั้งหลายท่านก็ไปบินทบาทฉันกลับมาพิสูุเหล่านั้นจะเข้าไปฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนที่พระองค์จะเข้าพระคันธกุตีพิสูุเหล่านั้นก็จะขอกรรมฐานเพื่อจะไปหลีกเล่นในปา่านะพระพุทธเจ้าก็จะแนะนาพระธรรมเหล่านี้นี่คือกรรมฐานที่เบื้องต้นจนถึง อรหัตตมรักเนี่ยนะก็คือเนี่ยรูปเหตุเกิดของรูปความดับรูปและข้อปฏิบัติให้ถึงความดับรูปถ้ารู้จริงในบทเหล่านี้ก็นั่นแหละอรหัตตมรักษ์นะที่ทํากิจเหล่านี้จริงจริง น, นะก็มีหัวข้อที่กระจายไปพิสดารอีกก็ ก, ก, ก็ไปดูตามสูตรอื่นๆต่อไปแต่พระพิสุสมัยนั้นท่านเป็นผู้ที่ฟังธรรมมาก น, นะติดตามใกล้ชิดภาษาสดาอยู่เสมอท่านจึงเป็นผู้เป็น ก็โหสูตรมากพระไตรปิฎกที่เราเรียนกันทุกวันนี้เป็นพระไตรปิฎกที่ได้รับการเรียบเรียงแล้วเนี่ยนะเราเราไม่ไม่ไม่ได้ติดตามว่าพิสูจน์แต่ละรูปท่านฟังอะไรมาบ้างหัวข้อที่เราศึกษานี้เป็นหัวข้อที่ได้รับผ่านการเรียบเรียงมาแล้วอย่างปฏิสามิธามรักใครเรียบเรียงภาษารียบบทเรียบเรียงแต่ถ้าเป็นพระไตรปิฎกทั้งหมดเนี่ยกลุ่มพระอนนท์เป็นต้นท่านเรียบเรียงขึ้นเพื่อสะดวกต่อการศึกษาเป็นต้นด้วยวัตถุประสงค์หลายๆอย่างเนี่ยนะ สำหรับผู้ที่มีปัญญาน้อยเป็นต้นเนี่ยเนียถ้าเทียบกับรุ่นท่านนะค่อหลังจากท่านหลังจากกลุ่มพระอนุนมาแล้วถือว่าปัญญาน้อยกว่ากลุ่มนั้นกลุ่มนั้นถือว่าเป็นปัญญาที่ที่ที่มากที่สุดแล้วในบรรดาผู้มีปัญญาทั้งหลายรองจากพระสารีบุตรกับพระโมคคัลลานะกลุ่มนั้นถือว่ามีปัญญามากเพราะนั้นกลุ่มอรหันต์เหล่านั้นตรินิพานที่เหลือก็ปัญญาน้อยลงน้อยลงก็ถอยถอยถอยของเรานี่รุ่นไหนถ้าเป็นคลื่นก็อุ้ยท้ายๆคลื่นเนี่ยนะเกือบจะกระทบฟังอยู่แล้้วนนนนะะะแแต่่่่ก็ไไมดรงเเเเทาหืือคลลย เคลื่นไงเคลื่นน้าในชามด้วยเคลื่นไม่น้อยเนี่ยปัญญาแบบนั้นเลยทีนี้อย่างที่ว่านะที่สุดของการพิจนารณาก็เพื่อรู้แจ้งแทงตลอดอริยสัจเนี่ยนะก็คือยังไงอริยสัจก็ไม่พ้นจากทุกทุ ก, ทกขสมุทัยทุกขานิโรธ ท, ทุกขามิโรทัคขามินีปฏิปทาแต่การแทงตลอดเหล่านั้นน่ะตามเป็นจริงแล้วต้องแทงตลอดพร้อมด้วยกิจใช่ไหมเพราะ สภาพที่ควรกําหนดรู้แห่งทุกควรกําหนดสภาพที่ควรละแห่งทุกข <im> <trips> สมุทัยควรควรกําหนดรู้เพิ่มแปลยากนะนะฟังให้ดีๆนะสภาพที่ควรกําหนดรู้แห่งทุกควรกําหนดรู้ครับบาลีเต็มต้องเป็นอย่างนั้นสภาพที่ควรละแห่งสมุทัยควรกําหนดรู้สภาพที่ควรทําให้แจ้งแห่งทุกขคณิโรธควรกําหนดรู้สภาพที่ควรเจริญแห่งทุกขานิโรธคาไมินีปฏิปทานั้นก็ควร กำหนดรู้เพราะนคาว่าเ อ, อตรงนี้เนี่ยนะท่านเน้นอยากให้เราทํากิจในธรรมะเหล่านี้เมื่อมีการทํากิจปฏิบัติตามนี้ก็ชื่อว่ามีการทรญญาําปริญญาเหมือนกันชื่อว่าปริญญายะเหมือนกันชื่อว่าเป็นปริญญายะธรรมเป็นธรรมที่ควรรอบรู้นะเพราะปริญญาเนี่ยเราก็พยายามระลึกศัพท์เดิมไม่เสมอว่าปริแปลว่า ปรแปลว่ารอบยานี่แปลว่ารู้ซ้อนยอหญิงเข้ามาตัวหนึ่งเรียกว่าปริญญาแปลว่าเป็นผู้ที่รู้รอบเอยะตัวนั้นแปลว่าควรควรรู้รอบควรเข้าไปรอบรู้เนี่ยนะควรเข้าไปรอบรู้สรุปรู้ให้หมดเลยนะรู้ว่าอถ้าจะบรรลุจริงๆก็ต้องบรรลุพร้อมทั้งกิจใช่ไหมคือคืออริยสัจแต่ละข้อก็มีกิจเป็น ของตนของตนทุกควรทําปริญญาสมุทยัยควรละนิโรธควรทําให้แจ้งมักควรเจริญถ้าจะปฏิเวทเพราะเพราะสักทั้งหลายโดยมากเนี่ยปราถนาปฏิเวทเหลือเกินปฏิเวทนี่แปลว่าอะไรรู้แจ้งแทงตลอดเพราะในหน้าหกนี้สังเกตดูนะปริญญาปฏิเวททัตโถปริญญาปฏิเวทบรรลุด้วยปริญญาถ้าดูบาลีนะจ ะ, จะดูถ้าจะเข้าใจมากกว่าเพรา ะ, ะผู้ที่ฟังทำมาเยอะๆจะเข้าใจว่าปริญญาปฏิเวท ปหาณะปฏิเวทสาธิกกิริยาปฏิเวทภาวนาปฏิเวทเมื่อก่อนเนี่ยฟังบอกอุ้ยบรรลุปฏิเวทเนี่ยนะอู้ยบรรลุเลยปฏิเวทแล้วก็ไอ้บรรลุอะไรก็ไม่รู้รู้แต่ว่าเขาบรรลุกันแล้วกันเน่ยนะไปนั่งโคนไม้ตรงนั้นเขาบรรลุแล้วไปนั่งอยู่ที่ถ้ำโน้นบรรลุแล้วเนี่ยไอ้เราก็อยากบรรลุบ้างไปนั่งเมื่อไหร่ก็ไม่เห็นมันบรรลุสักทีนะเพราะว่าจริงๆมันก็น่าแล้วล่ะเพราะยังไม่รู้เขาบรรลุอะไรเลยเนี่ยมาเจอในปฏิสามทิฏาเพิ่งรู้อ๋อเขาบรรลุด้วยปริญญา นะครปริญญาปฏิเวทะเนี่ยนะแปลว่าบรรลุด้วยปริญญาปหานาปฏิเวทบรรลุด้วยการละสัชิกิริยาปฏิเวทก็คือบรรลุด้วยการทําให้แจ้งภาวนาปฏิเวทคือบรรลุด้วยการเจริญเนี่ยนะการบรรลุเหล่านี้เขาก็มีหลักการบรรลุของเขานะไม่ใช่ว่าปิ้งขึ้นมาเลยนะนะสงสัยแก้วแตกมั้งหรือแก้วกระทบกันสักอย่างอะไรสักอย่างเนี่ยได้ ทีนี้ถามว่าถ้ากล่าวแบบพิสดารเนี่ยนะพิสดารเต็มว่าทำที่บรรลุด้วยการทําปริญญาคืออะไรคือรูปทำที่บรรลุด้วยการละคือรูปสมุ ท, ทยัยทำที่บรรลุด้วยการทําให้แจ้งคือรูปนิโรธทำที่ควรทําบรรลุทำที่บรรลุด้วยการเจริญภาวนาก็คือรูปนิโรธคามินีปฏิปฏาทาธรรมะเหล่าอื่นๆก็นิย่าเดียวกันผานโอ้เปลี่ยนผ่านหมดเลย ทีนี้การบรรลุเนี่ยนะถ้าถ้าพูดไปแล้วเน ouais. ี่ยผู้ที่บอกว่าบรรลุบรรลุอริยสัจเนี่ยนะเอาอะไรเป็นเครื่องวัดท่านบอกว่ามีหลักการที่บรรลุเป็นเครื่องวัดเช่นว่าะนะทุกทุกขสมุทัยทุกขานิโรธนะทุกเหตุให้เกิดทุกความดับทุกความดับเหตุให้เกิดทุกความดับฉันทราค่าในทุกอัาธาแห่งทุกอาทีนวะคือโทษแห่งทุกนิสรณะคืออุบายเครื่องสลัดออกจากทุกเหล่านี้เนี่ยนะ สังเกตดูว่ า, ท, าท่านท่านท่านเป็นห่วงเรามากกลัวเราจะบรรลุแล้วไปเป็นอย่างอื่นท่านก็เลยบอกว่าถ้าบรรลุจริงนะต้องบรรลุทุกขนิโรธคือความดับทุกข์ถ้าบรรลุจริงก็ต้องทุกขะสะสมุทยนิโรโธต้องดับต้นเหตุที่ทําให้เกิดทุกข์ขณะเดียวกันต้องบอกทุกข์ยังย่ำอีกนะมอกว่าต้องดับฉันทราค่าในกองทุกข์เนี่ยนะแล้วก็สุดท้ายคือนิสรณะแห่งทุกข์คือสลัดออกจากทุก อข้อที่แปดเนี่ยําว่าอุบายเครื่องนี้โดยศัพท์เนี่ยอถ้าจะให้ดีน่าออกเลยอุบายเครื่องนี่ไม่ดีเอาทิ้งไปเลยศัพท์นี่พรางในในหน้าเจ็ดเนี่ยนะหน้าเจ็ดมีอยู่หน้าเจ็ดอยู่มีแปดข้อใช่ไหมข้อหลักๆหนึ่งของสามสี่ห้าเจ็ดแปดเพราะตอนนี้พูดถึงนิพานเนี่ยนิพานนี่ยนิพานเนี่ยตัวนิพานนี่อุบายเครื่องมั้ยหรือไม่ใช่เนาะคือเป็นนิสรณะนาณสลัดออก ตัวตัวธรรมชาติที่สลัดออกบอกว่าทุกในนี้เนี่ยนะทุกขสัจจะมีอยู่สองคือข้อหนึ่งกับข้อเจเป็นทุกขสัจจะนะทุกขังกับทุกขะะอาท์ีนาโวเนี่ยนะทุกกับโทษแห่งทุกหรืออาท์ีนวะของทุกเป็นทุกขสัจจะสมุทัยสัจจะมีอยู่สองข้อคือเหตุให้เกิดทุกทุกขสมุทัยเนี่ยนะกับอัศธาแห่งทุกเนี่ยทุกขะะอัสาโทเนี่ย ขั้นข้อที่สองกับข้อที่6เป็นสมุทยสัจจะส่วนข้อสามข้อสี่ข้อห้าและข้อแปดเป็นนิโรสัรจจะเป็นชื่อของพระนิพพานท่านนิพนพานนั้นคือทุกขนิโรธทุกขะสะสมุทยนิโรธเนี่ยนะคือความดับเหตุแห่งทุกข์ทุกขะสะชั้นทราค่านิโรธความดับชันทรานะในทุกแล็นิสรนะทุกขะสานิสรณะการสลัดออกจากทุกเพราะฉะนั้นท่านก็ย้ําว่า ผู้ที่ตรัสรู้จริงๆตรัสรู้ที่ถูกต้องต้องตรัสรู้ทุกตรัสรู้เหตุให้เกิดทุกตรัสรู้ความดับทุกตรัสรู้ความดับทุกขสมุทัยคือเหตุให้เกิดทุกความดับฉันทราค่าในทุกคือฉันทราฆานิโรธนะต้องแทงตลอดอาาัาธาแห่งทุกจะต้องรู้โทษแห่งทุกรู้วิธีสลัดออกหรือทำที่สลัดออกจากกองทุกขคือพระนิพพาน ก็เอาขันอายตนะธาตุเป็นต้นมาพิจารณาไข่ควรวญโดยนัยยะเดียวกันเนี่ยนะโดยนัยยะเดียวกันส่วนอันนะอันนี้ก็บอกแต่หลักการเฉยๆเนี่ยนะส่วนนัยยะอื่นๆก็มีเวลาก็เอาไปไข่ควรวญดูเถอะเป็นร้อยๆข้อเลยแหละเนี่ยเนี่ยปยปัญญาต้องอุ้ยต้องได้ปฏิสัมพิธาอยู่แล้วนะถ้าพิจารณาขนาดนี้ไม่ได้ติดปฏิสัมพิทาก็ให้รู้ไปนี่ยทีนี้ถ้าพิจารณาแบบสตัตตถนาสูตรเนี่ยนะสะตัตตถนสูตรดูนะ ทุกในหน้าแปดทุก์เหตุให้เกิดทุก์ความดับทุกขตรงนี้เพิ่ม <_ C 1> เพิ่มอะไร <_ C 1> เพิ่มอริยมรักขเข้ามาคือข้อที่สี่ที่บอกว่าปฏิปทาให้ถึงความดับทุกใช่ไหม <_ C 1> อาสาทาแห่งทุกโทษแห่งทุกนิสรณะหแห่งทุก์เนี่ยนะคือสลัดออกจากกองทุกขนั่นเองตรงนี้สมุทัยศาสตร์มีกี่ข้อ สมุทัยศัสตร์มีสองข้อคือข้อสองกับข้อห้าคือเหตุให้เกิดทุกข์กับอาัาธาแห่งทุกข์ส่วนทุกขศาสตร์จะมีกี่ข้อทุกขศาสตร์จะมีสองข้อคือทุกข์กับอาทินวะแห่งทุกข์คือเหตุแห่งทุกข์นะส่วนนิโรศศาสตร์มีอยู่สองข้อคือความดับทุกข์กับนิสรณะคือความสลัดออกจากของทุกข์เนี่ยนะทั้นข้อสามกับข้อเจ็ดเป็น เป็นนิโรสัจจะเนี่ยนะทุกข์กับโทษแห่งทุกข์เป็นทุกขสัจจะเหตุให้เกิดทุกข์กับอัาธ า, าแห่งทุกขเป็นสมุทยาสัจจะความดับทุกข์กับความสลัดออกจากกองทุกขเป็นนิโรสัจจะข้อสี่ปฏิปทาให้ถึงความดับทุกขอันนี้เป็นมัคสัจจะส่วนขันายตนะเป็นต้นกลุ่มติยรูปสาตรูปก็พิจารณาไปตามนั้นไปนี่ยนะ ทีนี้วิธีการปฏิบัติเนี่ยนะอย่างที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าดูก่อนพิสูจนทั้งหลายทางนี้เป็นทางเอกเพื่อความหมดจดแห่งสัตว์ทั้งหลายเพื่อก้าวล่วงโสกกะปริเทวะเพื่อดับไปแห่งทุกข์และโทมนัสเพื่อบรรลุญาตธรรมเพื่อทําพระนิพพานให้แจ้งทางนี้ก็คือสติปัฏฐานสี่สติปัฏฐานสี่เป็นฉไหนพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรมีสัมปชัญญะมีสติกําจัดอภิชาและโทมนัสไอคําว่าพิจารณาเห็นกายในกาย ก, ายก็คือกายานุปัสนา กายานุปัสสนาก็คืออนุปัสสนาเจ็ดที่มีกายเป็นอารมณ์เวทนานุปัสสนาก็คืออนุปัสสนาเจ็ดที่มีเวทนาเป็นอารมณ์จิตานุปัสสนาก็คืออนุปัสสนาเจ็ดที่มีจิตเป็นอารมณ์ธัมมานุปัสสนาก็คืออนุปัสสนาเจ็ดที่มีสัญญาและสังขารเป็นอารมณ์เพราะฉะนั้นถ้าดูในหน้าเก้าอานิจจานุปัสสนาในรูป ทุกขานุปัสสนในรูปอนัตตานุปัสสนในรูปนิพพานุปัสสนในรูปวิราคานุปัสสนในรูปนิโรธานุปัสสนในรูปและปฏินิสักานุปัสสนในรูปเนี่ยนะก็คืออนุป <rene> ัสสนเจ็ดในรูปก็คือกายานุปัสสนานั่นเองนะอนุปัสสนเจ็ดที่มีรูปขันเป็นอารมณ์คือกายานุปัสสนอนุปัสสนเจ็ดที่มีเวทนาขันเป็นอารมณ์เรียกว่า เวทนานุปัสนาอนุปัสนาเจ็ดที่มีวิญญาณขันเป็นอารมณ์เรียกว่าจิตตานุปัสนาส่วนที่เหลือก็เป็นธรรมานุปัสนาเพราะฉะนั้นในธรรมะสองร้อยหนึ่งเว้นโลกุตระออกไปเป็นธรรมที่ควรเป็นอารมณะปัจจัยของอนุปัสนาเจ็ดหมดเลยเพระะัะตัวอนุปัสนาเจ็ดเนี่ยท่านจึงบอกว่าปัญญาที่เป็นเป็นที่เจาะเป็นที่ทะลุออกจาก วัตตะนี่ปัญญาที่เป็นทำให้ทะลุออกจากวัตตะยังไงก็ไม่พ้นอนุปัสนาเจ็ดทั้งหลายพักสักครู่ั่น